นักรรมปัจจสามสสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตก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 เจตนาที่ไม enfin ah ่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยขันที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นและถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตตุเป็นสมุทฐานอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุธฐานเพราะณอินทริยปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุธฐานที่มีอุตุเป็นสมุธฐานสําหรับเราอสัญญสัตสตรพรมรูปปัจวิวตินสีอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นเพราะณชาณปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่สหโรคตด้วยปัญจวิญญาณที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุธฐาน มีอุตุเป็นสมุธฐานสําหรับเราอสัญญสัตยพรมเพราะนมัคราปัจจัยเพราะนาสัมปยุตตะปัจใจหน้าวิปยุตตะปัจจัย41เพราะหน้าวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิวิตกอาศัยขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และท blanc, nowadays, ี yüz, Podcast, ่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณอาศัยสภาวธรรมที่มีทัะะ้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามและวิตกอาศัยขันหนึ่ง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 สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะนาวะปิยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ 2, 2, เกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตโเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาจารย์ศตพรมอาศัยมหาภูตารูปหนึ่ง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 ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยวิตกเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและวิตกเกิดขึ้นโนนติปัจจัยและโนวิคตาปัจใจสี่สิบสาสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณอาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะโนนติปัจใจเพราะโนวิคตาปัจจัยย่อ ปัจยปัจนิยะ 2. สังคยาวาระสุทไนัย4สี่น่ะเหตุปัจใจมีสามสิบสาวาระณอารมณปัจจัยมีเจดวาระณอธิปติปัจจัยมี37วาระณอนันตระปัจจัยมีเจดวาระณสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีเจดวาระ นาปุเรชาตปัจจัยมี37วาระนปัจชาชาตปัจจัยมี37วาระนาอเสวณัปัจจัยมี37วาระนกรรมะปัจจมีเจวาระนวิปากปัจจัยมี23วาระนอาหารปัจจมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจมีหนึ่งวาระนมัคราปัใจมีสมสิบาวาระ ณสัมปยุตตปัจจัยมีเจดวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสิบอดวาระโนนัตถิปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระย่อพึงนับเหมือนการนับปัจญิยะในขุศละติฏกะปัจญิยะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนิยะสีิห้าณอารมณะปัจใจกะเพรุตปัจจัยมีเจดวาระ โนวิคตะปัจจใจละถึงมีเจ็ดวาระพึงนับเหมือนฟันนับจำนวนอนุโลมปัจญจิยะในกุศลติกะสี่ปัจญยะปัจญจิยานุโลมนเหตุทุกไนสี่สิบหกอารามณะปัจจัยกับนาเฮตุปัจจัยมีสิบสี่วาระอนันตระปัจจัยละถึงมีสิบสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสิบสี่วาระ ชาหชาตปัจจมีสามสิบสามวาระอัญญามัญญปัจจมียี่สิบสองวาระนิสยาปัจจมีสามสิบสามวาระอุปานิสยปปจจัยมีสิบสี่วาระอุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาศิวนปัจจัยมีห้าวาระกรรมะปัจจมีสามสิบสามวาระชานะปัจจมีสามสิบสามวาระมัคคะปจจัยมีสามวาระ สัมปยุตตะปัจใจมีสิบสี่วาระวิปยุตตะปัจใจมีสามสิบสามวาระอวิคตะปัจใจมีสามสิบสามวาระยอ่อพึงนับเหมือนการนับจำนวนปัจญียานุโลมในกุสลติกะปฏิจจวาระจบพึงเพิ่มสหชาตะวาระให้เหมือนกับปฏิจจวาระ 6. วิตกะกติกะ 3. าปัจยวาระ หปัจจญานุโลมเหตุปัจใจสี่สิเจ็ดสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารธรรมสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองมีเจ็ดวาระธรรมสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณมีห้าวาระ ปัจจัยนี้เหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ทำสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏนิสนธิขณะ ขันที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารธทรมะทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นวิจาร์ทรมหทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารธ์ทมสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่มีทั้งวิตกและวิจารธรรมะทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกไม่เพียงวิจาร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 ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และจิตตสโมทฐานรูปทำวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสโมทฐานนรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นวิตกธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานนรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ทําสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกธรรมทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทํามหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ48สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ทําสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามทำขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจาร์และธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ทมสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นปฏิสนธิขณะที่มีในอุทาหนแรกพึงเพิ่มเป็นเจ็ดวาระ สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ทำสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารทำวิตกและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารทำสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และทําวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และทําวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ และทำอาไทยวัตถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที même, euh ่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ทำสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และทำวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น จิตตสมุทานรูปทำวิตกและมหาภูตรูปใหああ้เป็น <sor> ป <couples. S 2> ัจจัยเกิดขึ้นวิจารณ์ทำผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และทำหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะมีอาการสีเหมือนกันสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ทำสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ทำขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และทำวิจารณให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และทำอาทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และทำมหาปูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามและวิจารณ์ทำขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และทำอาทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะขันสามในขัตตนาทั้งสองฝ่ายที่เหลือพึงขยายประวัติการและปฏิสนธิการให้พิจาราลเหตุปัจจัยจบผู้รู้เหตุปัจจัยพึงขยายปัจจยะวาระให้พิดารพึงนับเหมือนกันนะับปฏิจัวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามสิบเจ็ดวาระปูเรชาตปัจจัยและอาศิวณปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระ นี้เป็นความต่างกันในปัจจยวาระนี้ 2. ปัจยปัจจนียะ49ในปัจจนียะณเหตุปัจใจมีสมสิบาวาระในฐานทั้งเจดพึงยกโมหะทั้งเจขึ้นแสดงไว้เฉพาะในบทที่เป็นมูลในณอารมณปัจจัยพึงยกสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฐานทั้งเจ็ขึ้นแสดงณอธิปฏิ ป, ปัจใจห้าสิบ ในหน้าอธิปติปัจใจเพื่อเพิ่มวาระที่มีสภาวธรรมซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นมูลไว้เจ็ดวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ทำสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน้อธิปติปัจจัยได้แก่อธิปฎีธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ทำขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ท, ะทำสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารพเพิ่มเพิ่มห้าวาระเหมือนนัยยะแห่งปฏิจจวาระห้สาสเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร ھ. ทำสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร ھ, ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น อธิปฎิธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารทำขันที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามละจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำวิจารณ์ที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะอธิปฎิธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ทำอาไทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 อธิบดีธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณทำวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอธิบดีธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารทำมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณทำวิจารณ์ที่เป็นวิปากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นวิปากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ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 ทำสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และจิตตสัมมถานรูปทำวิจารณ์ที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมมถานรูปทำมหาปูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นวิตกธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและทำวิจารณ์ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และทำหาทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเป็นห้าวาระเพึงเพิ่มวิบากไว้ในที่มาแห่งสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ในนัยยะที่มีหนอธิปฏิปัจจัยเป็นมูล เพิ่มเป็น37วาระณอนันตระปัจจัยเป็นต้น53ณอันันตรปัจจัยณสมนันตระปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยและณอุปานิสยปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละเจดวาระมีเฉพาะรูปเท่านั้นณปุเรชาตปัจจัยมี37วาระเหมือนกับปัจจน i y a ในปฏิจจวาระ นปัจฉาชาตะปัใจมีสามสิบเ็ดวาระแม้นะอาเสวนปัใจก็เหมือนกันเพิ่มเพิ่มวิปากไว้ในที่มาแห่งสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารนักกรรมมาปฏใจห้าสิบสี่ สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ทำสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดข um ึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารทำขันที่ม pues ีทั้งวิตกและวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ทำสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร ทำขันที่ไม่มีวิตกมีเพ <out> ียงวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ทำวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ทำสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเจตนาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์พึงเพิ่มให้บริบูรณ์ สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณเจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ทำวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารทำมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นห้าสบห้าสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร ทำสภาวธรรมที os, ่มีทั shared, ้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ทำขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และทำหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ทำสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์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 และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารทำขันที่มีทั้งวิตกวิจารวิตกและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนวิปากับปัจจัยพึงเพิ่มเป็นสามสิบเจ็ดวาระพึงขยายหนาอาหารปัจจัยหนาอินทรีย์ปัจจัยหนาชานะปัจจัยนมรครปัจจัยณสัมพยุตตปัจจัย นวิปยุตตปัจจัยโนนะเถปัจจัยและโนวิคตาปัจจัยให้พิสดาร 2. ปัจจยปัจจนยะสองสังคยาวาระสุทไนห้าสิบหกนันเหตุปัจใจมีสามสิบสามวาระนอารมณปัจจัยมีเจ็ดวาระนะอธิปติปัจใจมีสามสิบเจวาระนอนันตรปัจจัยมีเจดวาระนะ นาสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระนอุปาเสียปัจจัยมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสาิบเวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี37วาระนอาเสวนปัจจัยมี37วาระนกรรมปัจจัยมีสิบเอดวาระนวิปากปัจจัยมี37วาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณอินทรีย์ปัจใจมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคะปัจใจมีสมสิบาวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีเจวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสิบเอดวาระโนนาติปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะห้าสิบเจ นาอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจใจและถึงมีเจดวาระอนุโลมปัจจญยะจบสปัจจญปัจญญานุโลมห้าสิบปดอารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบสี่วาระอนันตระปัจใจและถึงมีสิบสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสิบสี่วาระ สหชาติปัจจัยมีสามสิบสามวาระอัญญามัญญะปัจจัยมียี่สิบสองวาระนิสยาปัจจัยมีสามสิบสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีสิบสี่วาระปุเรชาติปัจจัยมีสิบสี่วาระอายติวนปัจจัยมีสิบสามวาระกรมมปัจจัยมีสามสิบสามวาระวิปากปัจจัยมีสามสิบสามวาระอาหารปัจจัยมีสามสิบสามวาระ อินทริยปัจจัยมีสาสิบสามวาระชานะปัจจัยมีสามสิบสามวาระมรรคะปัจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสิบสี่วาระวิปยุตตะปัจจัยมีสาสิบสามวาระอธิปัจจัยมีสาสิบสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามสิบสามวาระปัจ ญ, ญิยานุโลมจบปัจญยวาระจบแม้นิจยวาระก็ไม่ต่างกัน ตตกะดิกะหสังสัทวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเหตุปัจใจห้าสิบเกสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดรกรกับสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกรกับขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดรกรกับขันสองในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดรกรวกับสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์วิตกเกิดรกรวกับขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดระคนกับสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ขันสามและวิตกเกิดรกรวกับขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดระคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะ หกสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดรัคนกับสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณเกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดรัคนกับสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดรัคนกับวิตก ในปฏิสนธิขณนะสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งว <right> ิตกและวิจารณ์เกิดรคนกับสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณวิจารณ์เกิดรคนกับขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณในปฏิสนธิขณะวิจารณ์เกิดระคนกับขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดรคนกับสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ ขันสามและวิจารณ์เกิดรัคนกับขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะหกสิบเอ็สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดรัคนกับสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะ สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดรกนกับสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดรกรกับวิจารณ์ในปฏิสนธิขณะเกิดรกรกับวิจารณ์สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดรกรกับสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ขันสามเกิดรกรกับขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ และเกิดรักคนกับวิจารเกิดรักคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดรักคนกับสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเพราะเหตุตกปัจใจได้แก่ขันสมเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารและเกิดรักคนกับวิตกเกิดระคนกับขันสองและวิตกในปฏิสนธิขณะ ผู mm ้รู้เหตุปัจจัยพึงขยายทุกปัจจัยให้พิดารสุดทนัย62เหตุปัจจัยมีสิบเอดวาระอารมณะปัจจัยมีสิบเอดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบเอดวาระอานันตระปัจจัยมีสิบเอดวาระสมณันตระปัจจัยมีสิบอดวาระสหชาติปัจจัยมีสิบเอดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสิบอดวาระนิสยปัจจัยมีสิบอดวาระ อุปาณิสยปัจจัยมี11วาระปุเรชาตปัจจัยมี11วาระหาเสวนปัจจัยมี11วาระกรรมปัจจัยมี11วาระวิปากปัจจัยมี11วาระมาหาราปัจจัยมี11วาระอินทรียปัจจัยมี11วาระชานะปัจใจมีส1บดวาระมัคคะปัจจัยมี11ดวาระสำปรยุตตาปัจจัยมี11ดวาระ วิบยุตตาปัจใจมีสิบเอ็ดวาระอัติปัจใจมีสิบเอ็ดวาระนัติปัจใจมีสิบเอ็ดวาระวิคตาปัจใจมีสิบเอ็ดวาระวิคตาปัจใจมีสิบเอ็ดวาระทุกปัจใจมีปัจใจละสิบเอ็ดวาระอนุโลมจบสองปัจยะปัจญิยผู้รู้พึงเพิ่มปัจญิยะไว้หกสิบสาม นัเหตุปัจจัยมีหกวาระนัอธิปติปัจจัยมีสิบเอดวาระนัปุเรชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระนัปัจชาชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระนัอเซวนาปัจจัยมีสิบเอดวาระนักรรมปัจจัยมีเจดวาระนัวิปากปัจจัยมีสิบเอดวาระนัชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมข yup right. ้าปัจจ <proposals> <loves> ัยมีหกวาระนัวิปยุตตาปัจจัยมีสิบเอดวาระ ปัจจนญาจบสปัจจญานุโลมปัจจญญาทุกขในหกสิบสณอธิปฏิปัจจัยกระเภรตุปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระณวิปยุตตปัจจัยละถึงมีสิบเอดวาระย่ออนุโลมปัจญญยจบสปัจยปัจจนญานุโลมหกสิห้าอารมณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีหกวาระ ปูเรชาตปัจจัยละถึงมีหกวาระอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระกรรมะปัจจัยกับนาเหตุุปปัจจัยมีหกวาระชานะปัจจ mm ัยละถึงมีหกวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสำปรยุตตปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระพึงขยายสำปรยุตตวาระให้พิสดาร